ยิ่งให้เวลากับการคิดถึงใครมากขึ้นเท่าไร่จินตนาการเกี่ยวกับเขาหรือเธอจะยิ่งก่อร่างและตีตัวออกห่างจากความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นเขาหรือเธอไม่ได้ทำอะไรจินตนาการของคุณจะทำงานให้เขาหรือเธอเองจินตนาการต่างจากความจริงจะสวยงามหรือน่าเกลียดกว่าความจริงแค่ไหนก็ได้ เหมือนตัวกระตูนที่แสนสะอาดเพราะไม่มีเลือดเนื้อเน่าเหม็นหรือเหมือนตัวกระตูนที่มีเคี้ยวมีเขาได้ไม่ต้องเหมือนของจริงด้วยเหตุนี้แม้ใครดีน้อยคุณก็อาจเห็นเป็นดีมากแม้ใครเต็มไปด้วยข้อบกพร่องคุณก็อาจสำคัญว่าไม่มีข้อบกพร่องอยู่เลยแม้ใครจะไม่สัญญาอะไรไว้แม้แต่นิดเดียว คุณก็อาจจดจำว่ามีคำสัญญาอยู่บ้างหรือถ้าแม้จะสัญญาไว้นิดหน่อยคุณก็มีสิทธิคิดว่าสัญญาไว้มากมายยิ่งมีส่วนของจินตนาการและอารมณ์ผสมอยู่ในความทรงจำมากขึ้นเท่าไหร่ความทรงจำจะยิ่งผิดเพี้ยนไปมากขึ้นเท่านั้นการระลึกถึงความจริงเป็นขณะแห่งจิต ที่เสียเวลาสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นเองบ่อยๆจะช่วยลดความหวังในปัจจุบันลงได้มากและเท่ากับช่วยลดความเจ็บปวดในอนาคตลงได้ไม่น้อยภาพประกอบมีคนหนึ่งพูดว่าถึงจะพบกันไม่นานผมก็มั่นใจว่าหัวใจของเธอสวยหวานไม่ต่างจากใบหน้าแน่นอนมีคำตอบกลับมาว่าฝันหวานสตาลอย ระวังรู้จริงจะตาเหลือความรักไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นแต่คนส่วนใหญ่ทำเล่นๆ่นกับความรักและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมในระยะยาวคนส่วนใหญ่จึงผิดหวังมากกว่าสมหวังแค่คาดหวังไว้ผิดก็มีสิทธิตั้งต้นพลาด เอเชื่อความทรมานไว้แต่แรกแล้วความรักแบบชายหญิงคือการเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายถ้าคาดหวังให้เขาหรือเธอมาเติมความรู้สึกของคุณแต่ไม่คาดหมายว่าคุณจะต้องทำหน้าที่เติมความรู้สึกกลับคืนให้เขาหรือเธอบ้างแนวโน้มคือจะไม่มีความรู้สึกของใครถูกเติมได้เต็มจริงเลยสักคน มีแต่ความเอาแต่ได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายความรักแบบชายหญิงคือการเอาคนแปลกหน้ามาทำความคุ้นเคยไม่ใช่แค่พบหน้ากันบ่อยๆให้หายแปลกถ้าคาดหวังว่าคนที่ใช่คือคนที่คุณทำอะไรก็ได้นึกอยากพูดอะไรก็พูดไม่ต้องเกรงใจกันแนวโน้ม คือจะไม่เกิดความคุ้นเคยกันสักทีจะอยู่กันมากี่ปีก็ตามเหมือนยิ่งนานยิ่งมีแต่ความแปลกใจว่าทำไมถึงต้องมาทนอยู่ใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าขนาดนี้ด้วยภาพประกอบผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าอยู่ดีไม่ว่าดีมาจีบฉันเองก็ต้องเป็นฝ่ายเอาใจฉันแล้วก็ห้ามไปจากฉันด้วย มีคำพูดกลับมาว่าเป็นมาเฟียทางความรักแบบเนี้ยไม่ต้องมีหรอกคนรักนะ่ะทั้งชาติเนี่ยรู้จักจะคีดฆ่ากระจกกระจกเธอถ้าเปลี่ยนจากอยากให้เขาหรือเธอมีใจมั่นคงกับคุณมาเป็นอยากให้เขาหรือเธอมีความสบายใจอยู่กับคุณโจทย์ในใจที่ต่างกันนั้นจะทำให้วิธีคิดแตกต่าง และมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมความสบายใจไม่ใช่ของสาธารณและที่จริงมีไม่กี่คนในโลกที่สามารถเข้าถึงความสบายใจได้เป็นปกติคนส่วนใหญ่เห็นแก่ได้อยากเอาเข้าตัวก่อนจึงไม่สบายใจกังวลว่าจะไม่ได้จะไม่มีจะไม่ดีจะไม่เท่าฉะนั้น ถ้าคุณเป็นหนึ่งในชนหมู่น้อยที่ไม่เอาแต่คิดเข้าตัวหรือสามารถเห็นอกเห็นใจคนอื่นก่อนแล้วค่อยเห็นใจตัวเองแครคนแครโลกก็ต้องมีสภาพจิตที่เป็นตรงข้ามคือสบายใจไร้กังวลมีก็ดีไม่มีก็ได้รวมทั้งคร้านที่จะเทียบเขาเทียบเราใครเหนือใครด้อยใครได้เปรียบใครเสียเปรียบ คุณจะไม่ให้ความสำคัญเท่าเก่าเพราะเข้าใจแล้วว่าเหล่านั้นไม่ใช่ส่วนประกอบของความสบายใจแต่เป็นมูลรากของความวิตกกังวลและความเคร่งเครียดทั้งมวลต่างหากถ้าวิธีคิดวิธีมองโลกรอบด้านของคุณพาคุณเข้าถึงความเป็นผู้ให้ความสบายใจกระแสจิตของคุณจะปลอดโปร่งหน้าอยู่ใกล้ สายตาของคุณจะอ่อนโยนหน้าศพน้ำเสียงและถ้อยคำของคุณจะรื่นหูสัมผัดจากป่ามือแม้แต่แผวก็ถ่ายทอดความอบอุ่นได้มากการปรากฏตัวจะเหมือนการมาของแสงสว่างทั้งชีวิตเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เขาหรือเธออยู่กับคุณไปเองแต่ถ้าวิธีคิดวิธีมองโลกรอบตัวของคุณ ขังคุณไว้กับความเป็นคนทั่วไปที่อยากได้แต่ไม่อยากให้อยากใช้แต่ไม่อยากช่วยอยากเรียกร้องแต่ไม่อยากสนองตอบอยากเป็นเจ้าของชีวิตคนอื่นแต่ไม่อยากเสียอิสรภาพส่วนตัวอยากเอาคำมั่นสัญญาแต่ไม่อยากสร้างกำลังใจให้ใครรักษาจิตใจของคุณจะแน่นทึบและปั่นป่วน สายตาของคุณจะเย็นชาหน้าเมินน้ำเสียงและถ้อยคำของคุณจะสแสลงหูสัมผัสจากป่ามือแม้จับหลวมๆก็เหมือนโซ่ตรวนแน่นเหนียวการปรากฏตัวจะเหมือนการมาของความมืดทั้งชีวิตเป็นลมร้อนเป่าใครต่อใครให้กระเด็นออกไปหมด